ก็จะได้รับประโยชน์ได้ได้รับผลอย่างบริสุทธิ์เช่นเดียวกันความให้กตันยูนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในสันดานของคนเปรียบเหมือนต้นหญ้าซึ่งมีอยู่ดกดืนถอนทิ้งแล้วก็ขึ้นอีกไม่ปรารถนาให้ขึ้นก็ขึ้นแต่ความกตันยูกระตะเวทีนั้นเปรียบเหมือนดอกกุหลาบต้องทนุ บ, บ่มรุงรดน้ําพรวงดินประวางรักษาจึงจะขึ้นสวยงามได้ชั้นใดก็ชั้นนั้น